ภัยสารออกไปเรื่อยๆค่ะนรำสศการก่ะทัานคะได้ท่านหลวงพ่วันนี้คำถามจากคุณอริยชนเป็นอริยชนคำถามที่ได้ยกเอาพุททวจนะขึ้นมาเลยนะคะดีมากขออนุญาตอ่านนะคะคต้องบอกว่าขอโอกาสขออนุญาตนี่ต้องเป็นพวกข้าราชการนะคะขออนุญาตเจ้าไหน <laughs> พิกษุททั้งหลายชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตาม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 ชอบดูทีวีก็จะชอบไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะดูละครดูความบันเทิงเราก็าชอบอีกแบบหนึ่งชอบดูข่าวชอบฟังเพลงเนี่ยท่านพบูลน์คะเดี๋ยวนี้ฟังเพลงน้อยมากคือคือถ้าจะให้พูดถึงโทษของกาลโอ้โหโทษของกาลนี่มากมายมหาศาลพระพุทธเจ้ีเปรียบเทียบกับครบเพืิงยากหมาแทะกระดูกความฝัน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 คุณต้องเห็นโทษของกรรมม า, มากๆเห็นมากๆเลยคะ่ะเราก็ไปหาความสุขที่เกิดจากในภายในจะทำให้ไม่เพลิดเพลินรุ่มหลงโวเมาได้ค่ะโทษ<ม>ของกรมคุณถ้าจะตอบแบบเป็นพุทธวจนะมีไหมคะมีการทั้งหลายมีโทษมากมีทุกข์มากเรากล่าวแล้วกล่าวอีกนะพระจะสึกเนี่ยพระจะสึกให้พูดอย่างนี้ะะนบทเพีรชนะที่พระเจ้าบอกถ้ามีใครจะมาแสดงความเป็นผู้ถ่ายกาลังนะให้เธอบอกเขาอย่างนี้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 เบียร์สามารถทําให้เป็นมะเร็งได้อืนีนขายทุกอย่างนี่ต้องขึ้นไป้ายไหมคะถ้าเป็นขึ้นป้ายแบบอันนี้ขึ้นป้ายตามกฎหมายาสมมติว่าถ้าขึ้นป้ายตามธรรมเนี่ยอันนี้ขอกราบเรียนถามท่านออแบบสมมุติคะ่ะท่านคะ่ะถ้าขึ้นป้ายตามธรรมนะบิลบอร์ดทั้งหมดถ้ า, าคนจะต้องเปลี่ยนการรณรงค์ให้มีสีรณรงค์ให้ไปอีกเรนอย่างนี้บิลบอร์ดทั้งหมดนะตามาทางหลวงต่างๆดีฉันนึกว่าท่านจะบอกว่าการบริโภค การมคุณเป็นอันตรายก็ให้พูดถึงคุณประโยชน์ของการประพฤติ ธ, ธรรมดีกว่านะคะให้ยกย่องการประพฤติ ธ, ธรรมในสิ่งแต่สุดท้ายเราต้องอยู่กับเขามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราควบคุมพฤติกรรมคนอื่นไม่ได้ก็ช่วยช่วยกันเผยแผ่แผความคิดนะคะในการที่จะทำให้เราทั้งหลายไปพร้อมๆกันออกจากกามคุณหมายถึง ปล่อยวางการบุณได้นะคะค่ะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนไว้ในโอกาสนี้ท่านดลพรท่านฝังที่เ ค, รคารพคะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็คงจะต้องล่าลาท่านไปเพื่ออีกสองวันให้ท่านได้มีโอกาสหยุดพักจากการทํางานแต่อย่าหยุดพักจากการที่จะสแสวงหาความก้าวหน้าทางธรรมนะคะเราก็เอาความรู้ที่ได้จากรายการนี้ไปปฏิบตัติปฏิบัติได้ทุกเวลา